สมาธิเรื่องขั้นตอนของสมาธิ เนี่ยเดี๋ว่าเอ่อที่ที่นั่นกไปมันก็มาาแต่ไม่รู้ว่าจะไปเกีากาตอนนั้นเนี่ยมาเป็นใดชั่นกเกิดอิาทำนี้เวิดไปิดไปอย่างี้ไม่รู้าจะปกเาองที่เรานา มันเอเยอะอเราอะไรอารแล้ว่าคนที่ต้องนนะมีความนักในการคิดการทิ้งานต่างๆเนี่ยเขาคิดได้ว่าปนึนนั้ น, น, น, น, น, น, น, น, นต้นนนงนน อ, ขของทำ อ, อย่างนั้นจะนั้น้องทำาง น, น, นั้นแต่ถึงอย่างรเวลาสิ่งนั้นเรมองเห็นเช่นเครื่องจกนีรว่าการสร้างนอ่ มันจะมองเห็นเป็นชินเป็นทางแต่ว่าเรื่องของสมาธิเนี่ยมันไม่เห็นชิ้นเป็นทางเพราะฉะนั้นในการที่จะอธิบายนี่ตัวอธิบายเป็นชิ้เป็นทางให้ฟังด้วยว่าการที่ต้องมีขั้นตอนนั้นราะการทําสมาธิจะต้องมีการก้าวหน้าไปแบบไม่หยุดยั้ง กือการทำสมาธิจะไปอยู่เฉพาะแข่้นเดียวนั้นไม่ได้ทํำแล้วก็ต้องเลือนที่กันไปเรืยเพราะว่าถ้าทําแล้วยังอยู่แต่ที่เดิมก็แสดงว่าเราไม่ได้ก้าวหน้าแต่การที่จะให้มีการก้าวหน้าไปได้นั้นเราก็จะต้องมีการคีดตวไว แค่การดำเนินการของเกศที่จะต้องก้าวหน้าไปนั่งระยะของการดําเนินกิจก็จะต้องรู้และเข้าใจในเใรื่องการะยะของการปริกรม ร, กกรมระยะของการทจิกศระยะของการสงรสบระยะของการที่จะเข้าไปอย่างไรอันนี้จําเป็นที่จะต้องมีการเข้าใจในเกิดในเรื่องของการเดินของเกศ ขัน้นตอนเราว่กันนะจะจะพูดมาถึงสามระยะต่อนะครับแรกคือขัน้นตอนได้การบริการพอบริกนนารได้ก็ถือว่าเ ร, ริ่มแรกอันนี้เรียกว่าขั้นต้นัแรกเมื่อเริ่มการบริกรเราถือว่าหมายถึง ยังไม่ทัน้นจะทําอะไรทั้งหมดกะจิตเกยย้ำย้ำไม่ได้เลือกย้ำไม่ได้อะไรทั้งหมดเรียกว่ามาการซ้อนพอมาถึงคำบริกรรมนี้เราถือว่าเป็นจุดเริ่มแรกอันนี้แน่นอนแน่นอนว่าทําเรื่องตรงนี้ไปเรื่องที่อื่นก็ไม่ได้จะต้องมาเรื่องตรงนีน้ถึงจะได้เรื่องของสมาธิเป็นยังไงเราจะไปคิดว่าเราจะกระโดดข้ามไปเลยว่า เราจะไม่ต้องรารแบบมาถึงแค่นับการเอาแขนเลยนเนี่ยนันก็ได้แต่ว่ามันทำท่ า, านซองพอท่านซองไปแล้วเนี่ยทีหลัมาอ่างาเยงยไม่รู้ว่าจะไปทำทษของไหนเพราะฉะนั้นการทำบริการเนี่ยยันถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าขั้นแรกแรกที่จกระดับือเป็นผู้น ทีน okay. ี้ต่อมาเมื่อทำบริการได้จเนวนไปหมายความว่าการต่อมาเนี่ยเมื่อทาบริการได้จำนวนไปการจำนินไปของบริการนั้นจะเอ่เป็นการจำนวนการไปด้วยจีบดวงเดียวอันนี้ละแต่มันใช่ความลั้นแทนที่จะไปนึกถึงเรื่องเฉๆเนี่ยเราประมาณนึกถึงผู้ขทรเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเพราะเวลาที่ เกิดการ e ริการไฟเนี่ยเนื้อไฟเรื่อยเนื้ไฟเรื่อยแต่พอนื้ไเนี่ยมันจะมีจุดเทียพอที่ได้เคยอธิบายไว้แล้วตตอนว่ามันก็จะมาถึงจุดพอแ่การมาจุดพอเนี่ยนันก็เหมือนกันกับเรารับประทานอาหารอะไรที่เป็นพอดมันไมจุดนั่นก็เรียกว่าจุดพอ พอแล้วเนี่ยเรายังถือไปรับประทานผิดนี่เรียกว่าเกินไปเรถืออยู่พอแล้วก็คือพอหมายความว่าย่าเรารับประทานอาหาร้รับนอััางอยู่ตรงนเราก็เอาแค่นั้นไม่ต้องเอาไปถึงสองร้อยอย่างถืพองร้อยคำ้ว่านะจ พอเลาดำเนินไปเขาเรียกว่าไปถึงจุดพออันนี้คือขั้นตอนหนึ่งพอบริกรรมนั้นเป็นขั้นแรกพอไปถึงจุดทอในมามาเป็นอีกขั้นเกนี่ยวกับการดีของตัวนามันก็จะไปบอกที่นี้กริยาของการทอนั้นจะต้องไม่บอเองมันจะต้องมีธรรมชาติเป็นสิ่งบ่งบอกเช่นอย่าง เรารับประทานอาหาเนี่ยถ้าแม้นว่าเราล่าใบเตีของหลวเราจะเรียว่าพอไม่ได้ามันยังไม่พอมาถึงผมนั้นมันยังไม่พอเราจะเปว่าพอเอาแต่เราว่านาว่าได้แต่การปฏิบัติท่แล้วมันไม่พอไม่อย่างครับชื่อวาเราไปเกณฑ์ชาไทยนนึ่งรับประทา น, า น, นเอานี้แลพอแล้ว แต่แท้ที่จริงเนี่ยตามความเป็นจริงแล้วไม่พอขนาดนั้นไม่พอเพราะนั้นเนื่ยไปถึงเวลาพอเนี่ยมันก็จะต้องแสดงสิริยาขึ้นะมาสิริยาของความพอนั้นมันก็มีอง ค, ค์บอกว่าเวลานี้มันิอาจจะเอ่อเป็นเวลาที่อิ่มแล้วก็ในขนาดนนเนี้ยพอแล้วผม่พ็พอแล้วเนี่ย ความมันจะต้งเกกความรู้เรื่องสุด้วงตอแล้วเพราะเรวตอแล้วนี่การีอันนเกิดขึ้นคือความไม่อยู่หายไปแล้วความอยู่น่ะหายไปแล้วแต่การหาไปความอยูนั้นมันจะหายไม่ได้มันจะหายเมันพอาไม่พอแล้วนี่เราจะไป แอบคิดหายเอาหายอยู่เอามาหไม่ได้นี่หยไม่ได้เน่นอนแต่เวลามันพอแล้วเนี่ยมาถึงจุดความหยุดความสุดที่สบายสบายอยู่มัสบายแล้วไอยค่ก็เความสบายทีนี้มาถึงสมาธิเนี่ยพอมาถึงสมามือเราปฏิพอแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ถึงความสบายมีอาการสบายมีความสุข เม้อความสุขชนิดนั้นเวลาที่สมาธิแปรรูเนความสุขน่นั้นเกิดขึ้นความสุขชนินั้นเป็นความสุขที่เกิดขึ้นด้วยการที่เราบริการไปถึงจุดเที่ยวองนน้นว่าบริการนั้นเนี่ยย้ำอีกทีหนึ่ว่าก็คือการนึกลอยๆพูดลอยๆทำออกลอยๆจนเร่มนะเที่ยวบบริการ เพระฉะนั้นไม่ว่าที่จะทากิจเรื่างใดขั้นใด้ให้สิ่งอย่างใก็ตามถ้าอยู่รงทบริกรรมก็คือทำบริกรรมเหมือนกันถ้าเราเปิดทำข้าวก็คือเปิดกินข้าวก็คือกินข้ารับประทานอาหารก็คือัประทานหารตักเขาักเขาเาอย่างนี้จาักข้านั่นเหมว่าทำบริกรรมอ่นตักเขาตับเขาตัเขาเยอ แต่ทีนี้พอเวลาตอนนั้นยังตักเข้าอีกอย่างนี้มันไม่ได้ถึงจะตักเขา้ามันก็อา ก, การไม่ดีไหนก็คนเคยถามหลวงพ่อแล้วว่าแล้วถ้าหากว่ายังบริกรรมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรือว่าแผลจิตมาเข้าไปขั้นไหนโอ้ยมันจะจิตเข้าขั้นบริกรรมนั่นแหละจะเป็นขั้นไหนอ <c oughs> เพแล้ น, นั้นถึงแม้ว่า ทำบริกรรมแต่ว่าให้จิตมันยังฟุ้งจิตเนีัยมันยังไม่อยู่อย่างเนี้ยแสดงของมันไม่พอแต่พอเราต้องเอาใหม่อย่างนี้เป็นตอนที่นี้เราเข้าขั้นสามเกี่ความสบายจะมีอยู่สามขั้นตอนด้วยกันระดับแรกเนี่ยแต่ที่พูดอยงนี้เพื่อที่จะ้ให้เราเวลาไปสอนตัวคือแล้วเราจะได้จับจุดตรงนี้ถูกเพราะว่ากว่าที่เขาจะ เลยหยุดตรงนี้ไปเนี่ยยันน้อยที่สุดแล้วมัใช้เวลาไม่ต่ากเป็นเดือนหรือว่าไม่ต่าวลาอาทิตย์าสุดแล้วแต่แต่นี่เพราะฉะนั้นอาจารยบาอนให้บริบัตอยังอได้หยุดหยุดแลเกิดอะไรขึ้นสบายอย่างนี้ลักษณะว่าสบายเกินเรียกว่าสามขั้นตอนแ เมื่อสามท่านตอนแรกอ่านแค่แรกเราจะสอนเขาอย่างไรต่อไปทั้งสามท่านตอนนี้คือความเป็นสมาธิขั้นแรกขั้นความเป็นเช่นนี้ที่เเป็นไปได้ไมนนั้นแต่ว่าเมื่อทําไปลัการอย่างนี้ก็จะเกิดสิ่งอื่การเป็นเช่นนี้ถึงอย่างไรก็ตามได้จริงแต่ว่ามันแคอยู่ไปได้เพียงชั่ว เนี้ยเดียวอาจจะอยู่ไปได้เพียงแค่หนึ่งนาทีก็ยังถือว่าได้หรืออาจจะไปถึงห้านาทีก็ถือว่าได้หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ยังไก็ตามมันคไม่เกินหานาทีในหันแรกม่ไปเกิดอยู่ได้เพียงแค่นะพออยู่เพียงแค่นั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการสลายตัวออกการสลายตัวของ ทมาอยู่ขั้นตอนนี้นั้นอ่ามันจะกรดอยนส้นลสนลนปเดี๋ยวกระดูใหญ่เลยสินี่เพราะฉะนั้นกระตุ้นว่ามันมันได้แค่นะมีกำลังแค่นะอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะต้องแน่ว่ากลับสร้างต้นใหม่สมมติว่าเราตองมานั่งทำาที่อยู่ดีดีเนี่ยหายใจนักเชืาออย่างนี้ แม่เดียทาเลยนึกออกแล้วตั้งต้ใหม่เริ่ตั้ต้ใหม่ไม่ต้องเสียใจเห็นแม้ว่าจะมีใครใครใครมีอะไรเขึ้นมาก็ถือว่าหมดไปรยๆนตั้งต้นใหม่ดีเพราะฉะนั้นใขั้นต่อไปนี้จะต้องอาศัคเป็นเช่นนี้หลายครั้งและหลายตั การเป็นอย่างเนี้เขาเรียกว่าเป็นสมาธิแล้วสมาธิที่เข้ามาขั้นตอนหนึ่งแล้วแต่สมาธินี่มันเป็นมาแต่บริกรรมมาแล้วแต่พอมาถึงตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นสมาธิที่มีความเข้มข้นขึ้นถ้าเกิดความเข้มว้นขึ้นแบบนี้เราจะเตือนที่ว่าอาการเป็นเช่นนี้จะอยู่นานไม่ได้ต้อยอมรับวันนี้ทุกคนจะต้องยอมรับพวกนี้ ยังไงก็ตามถ้าไม่ยอมรับตัว น, นี้ก็คือว่าไม่ยอมรับความจริงความจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นอย่างนี้หลายครั้งหลายฝนเลาอะไรเกิดขึ้นจากนั้นก็จะเกิดความมั่นคงในความนั่นคงนั้นคือความวามงเฉยการนั่งอยู่แต่ปิฎญาอันนี้จะเกิดอยู่ในยักษ์ที่เรียกว่า เป็นผลงานของสมาธิมีกี่ปังเท่าไรก็หนาจะถามมาว่าถ้าทำสมาธิอย่างนี้แล้วเมื่อยรู้เป็นเที่ยวแล้วแล้วทำไมน้ำทั้งอยู่นานไม่ได้มันตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะว่าหลังการก็ให้น้ำมันใส่เที่ยวอย่างเนี้ยน้ามันแค่นี้มันหาจะจุดไปแค่5นาทีหมดแต่มีน้ำมันมากขึ้นมันก็สูดไปได้10นาที นี่น้มหนากมากขึ้นจะสไปได้หลายชั่วโมงอันอนี้คือเชื่อเชื่อที่จะทำให้เกิดสมาธิเชื่อนั้นมากมันไปเปิดอยู่ตร ง, งนั้นไดนะ้นานถ้าผลงานของสมาธิมีมากไปเจิ อ, อยู่ในวางวางเฉยเท่ากับเป็นผลงานนานๆเกิที่มันเกิดขึ้นมาดยความสุขแล้วเกิดความสบายนั้นต้องเข้าใจว่า ความสุกสายที่เกิดขึ้นช่วยระยะนระยะนึนะผลานที่สมาธิได้เกิดขึ้นหายาว่าผลานอันี้ได้ต่อตัวเป็นเหมือนกับน้ามันอย่างนี้แต่ว่าอันดับแรกมันจะเห็นน้ำมันไม่ขีดหมักน้อยแล้วก็เกิดปุดแต่เดียเขาเวลาจุดไปแล้วได้เวลาหมดน้ามันไฟหมดไป ถ้าผลงานสมาธิมีมากก็จะอยู่ในความว่างเฉยและผลงานานั้ น, นตรงนี้คือควางภูมพื้นฐานของจิตเป็นการวูมพื้นฐานของจิตไปในตัวโดวยหมายมามว่าเวล า, าที่เราสงบมองไปอย่างนี้นมันเป็นผลงานเราสงบมากขึ้นจิตระยะหนึ่งสงบมากขึ้นจิตระยะหนึ่ง ไอ้การเรื่องมากคือเหริยาเ น, นแต่ริยาแล้วมันก็หายไปนี่มันไม่แน่หายไปที่เกิดแต่ว่ามันกลับกลายไป เ, ยเป็ น, น, น, นปัญหาของการปูพว้นฐานตรงนี้คือความปูพื้นฐานของจิตไปในตัวยังมยิ่วางเ้าวหน้าเป็นขั้นตอนของสมาธิที่ควรจะทราบคือว่าสมาธิที่บังเกิดในสมขั้นตอนนั้นตลอดถึงความสุดปลายทั้งหมดเหล่านี้คือนาน และผลงานของการทำสมาธิอ no ันนี้ก็สมองพยายามเก็บาำว่างานและผลงานของสมาธิอันนี้เนี่ยมันเป็นการปูกพื้นฐานของจิตที่จะให้จิตเนี่ยมีพื้นฐานที่มีความแข็งขึ้นตามลำดับส่วนหลักการอันเป็นของจริงที่เรียกว่าสมบัติเราเรียกในที่นี้เราก็องมาดูว่าจะไป เรียกข้อนี้ว่าอะไรเราเข้าอะไรสมมุติว่าเป็นปรูปะที่แบบสมบัติคือสมบัติช่้นนี้เนี่ยมันจะเป็นสมบัติที่พื้นฐานเมือเอ่อนานานักฝนนานของสมาธินั้นที่เราอยากทำสมัยภาวนะสมาสมาหลับตาบ้างไ่พอบ้าบทเจ็บสมบ้างเป็ น, นขัน้นตอนขั้นที่หนึ่งบ้างทนที่ส้าง การศึษาตั้งสามท่านตอนสามเนี่ยมันเรียนไปเรื่อยๆพอเรียนไปเรื่อยๆแล้วนี่มันก็จะกลายเป็นว่าอันนี้คือการลงพื้นฐานให้เป็นสมบัติคือเป็นหลันแ่นีเป็นสมบัติเกิดจากงานและผลงานของสมาธิผู้รู้รู้รู้นี้เราเราได้ถามกันได้ว่าใครคือผู้รู้ เราก็ถามเป็นผู้วันที่หลวงพ่อต้องแนะให้ก่อนลำหลนะักนักสมาธิพวกเรามาเรียนทั้งหลายเนี่ยเพื่อที่จะให้จับตัวผู้รู้นี่ให้ได้ก็รเรียนได้ให้นักศึกษาทุกคนกล่าวถึงว่าใครเป็ผู้ ร, รู้เอาไว้ก่อนทัานนี้ผู้รู้อันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นตัวจิตหรือเรียกว่าเป็นใจเรา ไม่ต้องปิดบังกันหว่าผู้รู้คือใครผู้รู้คือจิตแต่ที่นี้เราไม่เห็นเราถามกันแต่เราไม่เห็นเมื่อเป็นเช่นนั้นความทิ่งงานและผลงานของสมาธินั้นเข้าไปเกา่าหรือเข้าไปเป็นผู้มัน่นคงและความเปี่นของผู้รู้ทำให้เกิดความมั่นใจมีความสุขขึ้นเล็ก ม, ม, ม, มีความรู้ ในตอนของตอนเมื่อเวลาที่งานและผลงานของสมาธิงานและผลงานของสมาธิที่มันมีอยู่สามสามขั้นตอนันั้นน่ะคือถึงบริการสองบริการเทียงพอสามผลเกิดขึ้นอยากทำบริการเกิดความสุขสบายมีอยู่ตอนนี้จะทำเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้ที่จะทำต่อไปจะทำต่อไปจะทำต่อไป แต่ว่าหลักขั้นตอนนั้นมีจุดแค่นี้เกณฑ์นั้นนี่ยมีอยู่แค่นี้ก็ อ, อ, ยอยู่แค่นี้ที่ที่จะทำไปทาไปที่มีอยู่แค่นี้แต่ว่ามันได้พัฒนาเกิดการสร้าเกณฑ์สมบัติขึ้นมาเมื่อการเป็นสมบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะรู้คือเราจะรู้ใน ต, ตัวของเราเองว่าไอ้จิตเป็นสมบัติเนี่ยมันเป็นยังไง แต่คนที b ้ไปทำสมาี่จะรู้ว่าแสมบัติคิดนี้มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงก็คือความที่ว่าแค่ทาไมเรารู้สึกประมสทไปแค่ทำไมเรารู้สึกประมันแข็งแกร่งแค่ทไมเรารู้สึกปรมาหายปวดไปเป็นหรือแคทไมเรา้เรารู้สึกว่าเราเป็นมากไปรุ่งกระวยไอ้อะไรเหล่านี้ไอ้ความรู้สึกเหล่านี้คือเป็นความหมของสมบัติที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ถล้วก็สมบัติที่นี้ที่เกิดึ้ น, นั้นไม่มีใครมายื้อแยกงเรไปได้และไม่มีใครที่มีอำนาจที่จะมาแก้ของเราไปได้แม้แต่เราตายแล้วถูกไฟเผาก็ยังไม่สลายตัวอันนี้ค็อสมบัติที่นี่นสมบัตินี้นทำให้เกิดความมั่นใจมีความสุงบอยู่ลึกๆโดยความรู้สึกในตนของตนเท่ากับสิ่งที่เป็นสมบัติหลัก อางทีเร า, าเอาจจะมองไม่เห็นบอกว่าเราเนี่ยไม่เห็นได้อะไรเลยแต่แค่ที่จริงมันได้ไปแล้วในการได้เหนนี้เนี่ยอาจารย์พิชัยล่ะที่จะพูดแล้วก็ข อ, ององอกมาเป็นปูนทงนั้นก็ไม่ได้แต่เรารู้ว่าเราเนี่ ย, ยได้คิดมาแล้วอันนี้เพราะว่าอย่างครั้งสอนของพุทธศาสนาเอนว่าอฏจบัติทงผู้ จะรู้ได้จะพักตัวแจะรู้ได้จะพักตัวนั่นนะแล้วคนอื่นรู้ไม่ได้ก็ไม่มีเศษเหลานั้นก็ไม่จริงเศษมีคนค้างไว้ยยนั่นมันไม่ได้คูดกันง่าไม่ได้แล้วความหิมอย่างเนี้ยเราพูดกันง่ายๆเอาช้ำเปียกเปิดความหิมอย่างเนี้ยจะไปบอกใครก็ไม่ได้แล้วเร า, ารู้ของเราเองน่ะแล้วใครรู้อ่ะเรารู้มันหิวมันแล้วคนอื่นก็ ก็รู้ก็สมันเราบอกให้เพราะฉะนั้นปฏิจจสมคือรู้จะราดตัวก็ก็เป็นหลักการอยู่ที่นี่เราฉะนั้นเท่ากับสิ่งที่เป็นสมบัติหลักอันนี้เรียกว่าสมบัติหลักนี้เกิดเป็นขั้นตอนที่จะต้องส ร, ราบก็เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดเป็นหลักการนะจะให้หลักนั้นนะจ๊ะในหลักนั้นนี่มันจะครอบคลเพิ่มเติอย่างนี้เป็นต้น เนขั้นตอนที่เขียนไว้ในที่นี้เขาเรียกว่าจสมาธิอุปจารสมาธิันาสมาธิ่งสตจท่ต่อไปดีเนี้อเอวลรย์ลแล้วไม่นานก็เวลาเร็วตอนนี้นะแล้วก็หาว่า ยังไงในที um Shot, ps, ini, ่นี <touched> ้อ <été> ่านใรอ่านใรมาอ่านรมาเนี่ยหอพยายามเขย่จะให้เข้าใจง่ายที่สแล้วก็ที่อันนี้เนี่ยต่อไปหลวงพคะทิ้งแฉทั้เนาะมันการที่อธิบายเติจากขอความเหล่านี้ต่อไปงพ่อต้องว่าการว่าเมื่อพระอาจารย์ ้วรู้ิครัเดไปพบพระอาจารย์นะทีเขาเนเมื่อไปพบท่านทั้งยังที่เราตัวเองไม่รู้จักว่าหน้าตาคัญเป็นยังไงเมื่อไปพบเราก็ไม่รู้แต่เมื่อดูทักเข้าในจาระบุกระจายแล้วแก่นะไปที่นี้เราก็ไปทักนะท่านจะรับออกมารับไามีเนวหน้าสามสี่รอก ช่วยดีกว่าหลวงพ่อราประมัคขนไปที่สุดีแม้ขึ้นไปสุดีแล้วเราจะตกใจเี่แล้วตกใจยังไงตกใจว่าสุดสีแ่ทนเอาปเราไปวางนี่ยมันระอาดหนาอะไรโอ้ยทยังไงถึงสะอาจางนี้ถูกไหมเนาะแท้แท้ขัดกระดาาวทาเชท้าในกีฬาต้อง เอออาว่าทักอย่างดีแล้าเนาก็พอคิดว่าเราจะพักสักหน่อยพระอาจารย์นั่นท่านก็บอกให้ักพรงให้ไปในที่อุติยนั่ท่านวังนี้พระอาจารย์ใหญ่ท่านน่ะอยู่ไนับนะหลวงปู่ฟังยุงปู่ฟังลวมงปู่แค่ลุ้งปู่เท้าลุ้งปู่แหวกปุ้ยหลวงปู่แล้วนะอ่าเจ็บเป็นนัน่งูเราก็องช่ยไป ตอนี Jesus, God, uh, look, right uh, mm ่ไปเจแล้วก็เออคุณศิษย์อาจารย์าแลกว่ความปัยนะมาแล้วไหนเขาถามแล้วบอกว่าอ่อแล้วก็อาจารย์เบอกว่าแมไปจะมาที่นี่ต้องเดินมาอะไรถึงจะพูดะบอกว่าไม่ต้องพูดแล้วานะ ไปรู้แล้วหมายความว่าท่านจะรู้ก่อนรู้หน้าแล้วในคมาี่พูดหรอกเพราะฉะตั้นใจความแท้เราเดินไปที่หน้าศีรษะไปถึงเที่ยงศีรแล้วที่นเสร็จแล้วคือความแท้แล้วเราจะเน้นในใจไปยังไงคงจะแท้ ด้วยความกรานีเอาสักสามสิบนาทีหรือสิบโมงนก็คงจะเป็นการพอแล้วนะมาเจะทันได้งแี่ยแต่ถ้าคงมาไปนั้นก็รับได้จก็เป็นเวลาเสือสองพุ่มมเวลาเท็จก็จะระเดินสองทุ่มพดีแต่แทกจถ้าเท็ไม่อยู่เลยแล้วพูดไม่อยู่แง่นี้พูดไม่อยู่เลย ว่าพวกนั่งร่างที่มันก็จะนั่งร่างเลยอย้ดูไมว่านังรางคืออะไรเราวนัเฉยนังรางคือทางปฏิบัแล้วใารนั่งสมาธิพอมนสบายแล้วนั่นแหละการมาดูทำให้สบายยอะเครอยดจะยิ่งนั่งไปถ้าหากว่านั่งสมาธิแล้วไม่สบายอันตรี่างก็ารู้ือ ทำ่มเาอย่างนี้ไปได้การธรรมดาเนี่ยเอ่อการมาสูขันธ์ในการย่อบรรการที่มีานมีเรือนมีครอบมีกลัวอะไรต่างๆเหล่านั้นเรยว่าการมาสู่ขันธนการย่แต่พออาจารย์ทนบอกว่านั่งสมาธิเข้าฐานนั่นแหละอำมาสุขันธ์ในการย่อบโอเราควรจะความปันนี้เป็นปันแรกเพราะฉะนั้นเรางพ่อที่ได้มาที่นี่ที่นี่ไว้ใจว่า ฮะใครกอจชาติอนะไน้นนไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนี่องนนะนะแล้วเพื่อแค่เดียวกันข่านำสมาธิจิตในลมก็ไม่ดีอีกแล้วเพราะฉะนั้นแตการที่ดีเนี่ยให้ดูสม่ยสองทพอีค์พเดชด้ิมีสติมีสติแล้วมีความรู้อันนั้นถือว่าระลังจิตเต็มที่ แ bon Question ั้วจอนั่นอธิบายธรรมจับตั้งแต่สองทุถึงเที่ยงคือเต็นเลยเราขึ้นจะมองตรงเ็นี่ยตรจบแล้วเราทำไมยอมจบตรงเสร็จอะไรเสียทีแต่ดูกระเวดน่าทีนะเออข้อควรแข็งข้อควรโอ้เออนี่เราจะตั้งใจเดินมาเนี่ยเดือน ไอ้เอ็มทีเลยนันเนี่ยตรวจแล้วตรวจนึดในใจแล้วแค่บ า, า, างท่ า, านก็ดีมหาศาลกานกระทำในที่สุดขาปวดที่หายไปเลยมาเลยบวดหรือเทียนเกลียสีจะมองแฉมันทีน่สุดเลยนะแเป็นคนธรรมดาจ ะ, ะทำสีจะมอง เดินมาทำงานก็ยังไม่น่าีติงมองเสร็จแล้วควเร่งที่ท่านแทรกอยู่ทุกคนกลับได้วาไงนะแต่วิยากลับไม่ได้เห็เกิดเิ่เอะเราโดนแน่วาเมื่ออนเมื่ออนมาถึงที่แรเลเรากหยลูตาโดนแน่แล้วก็ยังไงโดนแน่ไม่่ อาจได้ให้คนเดินกับเป็นห้แล้วก็น่ก็เอ๊ะเอลงนอนเบีช่นว่าะแล้วีก็ท่นอ้เยวาเาบว่าวันนี้เหยเสทีีช่มลมีองนี่ก็างัานเ่อ ลูกศิษจะไปบิดระอาจารย์เนี่ยถ้าหากว่าท่านไม่รับเน่ยรับไม่ได้เพียงอะไรอย่างสอก็ับไกบาาจะนับบิดไปทีหนึ่งีอีสามีสีี้าหกแล้ก็ไปเรียอาจารย์บิดท่านเดียมยอมแล้วก็ไปเรียกอาจารย์บิดเย เดี thì ๋ยวพอละต่างกันนะบิไหมเจริยะเอาเอ๋เราจะพยายามเจริญนเ็นใจเราอ่ะบอว่าเวลานี้นามเกืแจ้งแล้วแ้ต่ท่านบอกจะหยุดสักทีได้ไหมเอาเป็นนึกใใจของเรานี่ยแยังไงเราถือว่าเรา่นผู้วิเศษได้อย่างเนี้ย ถือว่าเรื่องบุญเยอะเลยอาจารย์น้อบอกว่าบุญบุญบุญบุญบุเดียวจะนั่งน่าสักหน่อยเะเดี๋ยวเก้่อนนะเดี๋ยวพักครับโอ้ดีเนี่ยนักันเดียแก้พลาเดี๋ยกหลวงพ่อจะสอนไปหลวงพ่มีสถิน้ ไปน้ำอ้อนด้วยน้ำร้อนผสน้ก็เป็นหังป่ะขัดล้าง น, นะงนก็ผสน้ำทุยกย่างร้านเสร็จแล้วหวง พ, อ พ, อ พ, อพอ่อประกานมาตรการระงับมันน hey, ี่ช่างไปไมได้ีก่ง <laughs> <laughs> <laughs> มันจะแจ้งแล้ ว, รร <laughs> เ, รออวลเราก็วิ่งจนะังเราเดินไปเดินไปจะไห ก็สนใจอล้วนี้อ่านี่มิสว่าได้ลองข้าวู้หนึ่งไอ้ลองข้านี่มันหลาดเว้ยนันเป็นยังไงครับไอ้รองข้าวที่หัวต่คร้านี่เท่า้ันอ่ะมันไม่แวงตรงจารับได้มันแปลว่าอะไรไม่ตกแหวแปลวอาเองเราเป็นแปลว่าจับปานนี่ แลยครับงานอนุญาตในการปรอบได้ก็เป็นงานวงปูัไนก็คจะต้องจไว้ตรงนี้ในวันนี้โอวคจะต้องเปลี่นเส้นใหมแล้วเพราะว่ามาถึงวงูมันแล้วคถามตอบกันี้ว่าจัดหลักเรียนหาการาย์เพื่อขอให้การมุทิต แต่เดิมก่อนที <t> ่จะได้าศึกษาศาสตาจารยจิตเธอหมดจิตไว้บริเวณลงกระนค่แต่เมื่อเริ่มศึกษาศาราจารยจิตงหดจิตไว้กางหน้าผากในดูหน้าสมรสจิตไว้กางกนจิตกในแนวระดับเดียวกันกับางหน้าผาแต่ว่าเอ่อู บริเวณตรงกลางสมอง น, นะครับนะ่าบริการไปก็จะพบว่าบริเวณตรงกลางหน้าตมีอาการที่เป็นอาการง่วงๆแล้วก็พอบริการต่อไปจะรู้สึกว่าออมีเหมือนกับลำดับที่ผ่านมาเนี่ยนะจะเป็นอาการที่บ้าเหมือนกับมี เห็นเป็นลักษณะแสงสีม่วงจะสะท้อนแสงกับแสงสีเขีย ว, สสวตอนตอนกสงอยู่บริเวณตการงกางตรงนี้เราเปิดจุแต่ว่าจะมีเป็นลักษณะวีดีทงๆคล้ายไนะคะแล้วก็เป็นสีออกสีน้ำตแต่อันนี้จะนิ่งไปมาทางซ้ายและทางขวาสีก็จะ ทำอย่างที่ท่านอาจารย์สอนว่าถามว่าใครคือผู้รู้แล้วก็ไม่ได้มองตามที่เขาเขาวิ่งสายตาก็จะกำหนดอยูตรงการนักข่าวตลอดจะพักเขาก็จะหายไป้ทั้งหมดแล้วก็เอ่อมันจะมีอาการตอบใส่ว่าก็จะแบบเหมือนกับเราหน้าหลับตาเฉยแล้วก็จะกลายเป็นว่าเหมือนกับมี คล้ายๆแต่ว่ามีท่อน้ำแล้วก็มีน้ําหลักมาโลงตามสมองนะคะแล้วก็จะมีความรู้สึกเหมือนจะว่าที่เราเป็นตัวติดและจางผ่านเนี่ยเหมือนจะว่าเขาก็จะไค่อยวิ่งเข้ามาหาลงตามสมองในในแกวหรือแก้วตันน้าก็จะเหมือนจะไหลลงนี้เข้าไปภายในยแล้วพอลังจากนั้นเนี่ยติดก็จะรู้สึกกลัว ก็มีความรู้สึกว่าจะเรียนเรียนอยู่อนาจนัรย์เสร็จก็จะนึกถึงคำสอนของอาจารยก็จะกําหนดว่าใครไม่รู้รู้อีกแล้วก็จะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันจะมีเหมือนกับเป็นเสียงเหมืเสียงครื่นที่ละเอยดละเอียดแล้วในในในขณะนั้นจ ะ, จะรู้สึกว่าอาการที่ที่ที่อยู่ภายในเนี่ยจะเป็นอาการของ ครู Valerie, ้ที único, er. ่นิ่งๆเบียดเบียดแล้วบางครั้งเราก็ขึ้นได้ว่าเราต้องบริกรรมทุโธเราก็จะบริกรรมอแต่ว่าในที่สุดบางครั้งมันก็จะขาดหายไปนะครัก็อยากปรับเรียนถามอาจารย์ว่าอาการเหล่านี้เป็นเป็นลักษณะการของจิตอย่างหนึ่งด้วยชนัการี่ยน้มาช่มนี้เป็นลักษณะของเมื่อจิตี่จัย เขาไปอยู่ในชานแล้วแต่ว่ากาเกิดแตความตัวขึ้นมานั้นอะไรนั้นคือไม่เป็นผลดีสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่ว่าต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นกำลังหรือที่เรียกว่าพลังานของสมาธิที่ได้ก่อตัวขึ้นมามากต่อมา แล้วก็ปรากฏขึ้นเป็นลักษณะแสงสีต่างๆั่นคือผลงานของสมาธิเราก็จิตเกิดเป็นแสงเป็นสีต่างๆนั้นคือกิจวิญาหนึ่งของจิตวิาที่จิตที่เป็นเนี้ได้นั้นก็แปลว่าจิตนั้นได้เป็นสมาธิมีพลังจิตมจะเหมือนกับกับ น, น nah ้ ที่เข้าไปเขโล่ใจก็อันนั้นนัคือลังิินเพราะฉะนั้นความทุกขนั้นจำเป็นที่ว่าต้องตัดไปอย่าให้เกิดความทุกขให้เกิดยาวเาสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องจะเรียนรู้ไปต้องเรี่อไปอ่า่เอ่ที่มะว่า ก็ที่ถึงข้อที่สองนี้ะที่ถึงเสร็จแล้วก็ฐานเรื่องฐานขึ้นมาฐานมาเป็ตัวแต่เจ้าผู้อง้นตัวจะย่อไปย้อนมานะฮะจะทาบว่าปีนั้นคืออะไลักษณะที่ย่อไปย้อกมานั้นเป็นปีที่ที่หนึ่งเรอของฌานในขั้นต่ำเพราะฉะนั้นสิ่งทีจะต้องําต่อไปก็คือ ก็เราคิดยที่เคยเดินมาและน่าจะเป็นอย่างนั้นกี่เราก็ทําความรู้ไว้นะและเ็กยีจะต้องก้าหน้าต่อไปคือปิดในมันมีคิตองไตจุนใจนั่งสมาธ่มานะคะฉันมองข้ากขมอได้รูตัวหายไปแต่ทั้ที่จะเห็นว่าเราทำหายตัวหายเป็นสิ่ดี แต่ผรที่ไดารน่จไเรระสกมา่การนั่งมาเียที่น่บการสมาธิ่อเนื่อกันมาแต่ผู้ที่กนัานีมันคงมีมว่าเรารู้ว่ายแต่กาเรนการจะรู้ตัวึงว่าเราอย่าพองอองเน่ตี้แ่ใจว่าความรู้สนั้นเนี่ยจะจับที่องเราเป็นอมณภาพที่ จำจำท่านหลวงหลงอ้นเองว่าขึนาอะไร n ้า n ะให้หลวงพ่ที่ัน้มันาพนหดลงะยจิตมันก็่งเลเอออเล็จิตหลพอ่นี้มันพูดจิตมันก็เหมือนกับเราลอยเวีนวางบรรากาศมาก หรือเหมือนกับอยู่ตัวเราหรือเหมือนกับอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้อันนี้คือลักษณะหนึ่งของฌานลักษณะหนึ่งของจิตที่รมมา้ต่ว่ิ่นี้นะถ้าว่าเป็นกิริยาจิตกิริยาของฌานชนิดนี้ได้แต่สิงสำคัญที่เราทำการอยู่ในขั้นี้ในการปฏิบัติจิตเนี่ยคือถ้ารักจิต เราจาทำกิจเนี่งจะเป็นการไม่ใช่เรื่องเดียวที่สำคัญนะับ่นที่เรียนรู้ธรระเรือนสิ่งทีต้องการใหัศึกษาหมวดโดยว่าการทำอจะเป็นในอะไรตางจุดมงหมายอยู่ที่กำลจิตจะเป็นอะไรสบายโลดโอะไรแบบนี้คือนกปฏิบ เราเนที่เ้าอนะคะอย่างเราเป็นคำวิกรรมขนาเต็จทยรเลนะคะผมถจะผมกำลังจจบตรงนี้ยกพใช่มคะถ้าเริดวิกรรมใหญ่คือว่ายกขึ้นหนอยกหนอแยกหนอหอตหนอตกหอจะมีผลต่างกันยังไงบ้างคะอ่าให้ผลต่างกันเพราะว่าเป็นคำิกรรมเพราะฉะนั้นอย่ากบบทจะเอาหนอเป็นหอไป เราไม่ม mm ีปัญหาอะไรเรคตอนั้นการหลวงพ่อค่ะลูกมีความนใกับเรื่างของบายค่ะโดยลูกเป็นคนที่น่าสมาธิและจิตวุนย่มากในขณะที่บริการพุทโธก็จะมีเรื่องอื่นมาให้พี่ด้วยซึ่งแต่ก่ที่จะมาเรียนมาธิหลวงพู่กจะ เวลาจิตไม่รวมรูม้กจะพิถึงแสงเทียนที่อยู่หน้าโต๊ะหมู่มีาค่ะหรือบางครั้งลูกจะพิถึงพระพุทธชินราชหรือบางทีรู้ก็จะตื่นโดยเองที่นึกถึงความตายซึ่งขณะที่ลูกทำนี้ลูกก็จะมีความรู้สึกว่าจิตใจรวเป็นสมาธิได้ได้ง่ายเข้าเมื่ออยากจะถามลวงพ่าว่าที่ลูกทำอย่างนี้ถือว่าเป็นอุบายหรือไม่ค่ะแต่ถ้าไม่ใช่ อันนี้ก็ถือว่าเป็นว่าให้ิตสงบได้างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะสิ่งนั้นน่ะก็ไม่ใช่อะไรเลยกับใจของเราแม้จะนิอะกใจงเียเป็นู่แต่เมื่อีนั้นแล้วเนี่ยมันก็เกิดการก็เรียกว่าเป็นริก การจิตที่เรามาสร้างกันเนี่ยนะครับเป็นไงนะแล้วก็ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างการจิตนั้นเกิดอยู่ในใจเวลาที่เราทำสมาธินี่มัะเก็บไว้พอเก็บไว้เก็ไว้เก็บไว้เนี่ยมันก็จะส่งผลออกมาเป็นกำลังช่นอย่างวันที่จะเดินในี่เราใช้กลังกาย เวลาที so, ่จะพูดอย่างนี้เราใช้กําลังวจชาเพราะฉะนั้นเวลาอย่างวัตถิใจคิดนี่เคต้องใช้กําลังใจทีนี้ก็าคขาดกําลังใจนี่มันจะคิดไม่ออกคิดไม่ได้ไม่มีไม่มีกําลังที่จะคิดหรือว่าควรที่จะแข่งแข่งกีฬาต่างๆนะถ้าต้อใช้กําลังใจถ้าขาดกำลังใจก็อยู่ไม่ได้บางท กคือกำลังใจ่านนีนะ้ที่ทำให้เกิดความปกปองรวมาโล่ต่างๆและกาสามารถที่จะลดปุจจัยดีนในคิดไปนในทางที่นั่นคือกาลังใจงของสมาธิที่ทำกำลังใจนะทุกวันทุกวันนี้ก็เพื่อที่จะไม่เกิดความสงบนั่นเองท่าน ผมจะมีเป็นสาวนิยมเพราะว่าการที่เราอยู่ในจุดจุดที่อยี่เข้าควงเลครับเป็นจุดที่เราจะกำลงรูคือต้องดูไวตรงนี้ที่นการับเพจะให้ให้เข้างจุดนขาได้ไม่ใชนะคือว่าเวลาทส่จแวทมาธิเราไม่บูโดดีมันจะรรวังในในขณะที่จะร ขรเนี่ยรเราก็มีสติไว้ตรง น, นั้น้ะลอรื่องชะอเม้่เราเนี่ยเราเพืุ่ที่จะให้เรามีสติในมากที่สุดในรนะยะนั้นแต่ถ้าเราไะไรวก็ร้อยได้แต่ยังถ้าเราไหวจะชะลอไว้ก่อนก่อที่ปีเจ้าตัวอ่ะพอพุทธิเขาเรียกสุงให้ชะลอ ให้มาถามนะถ้กตรวถามต่อนะรคือผมได้ถามเพื่อนท่านหนึ่งเรียกถามเพื่นท่านหนึ่งแล้วท่านี้นท่านผู้ส่งนะประกอบการในการถามนะได้นะนะครับผมอยากจะกลับไปถามว่าการทาสมาธิที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิได้มั่นุงและถาวร ดิ้นขุ่นยากแต่ที่มาที่ไปการที่จะทำให้เกิดความมั่นคงรัฐาวันนั้นก็คือการจะทำอย่างต่อเ น, นื่องอย่างเราทาไปเรื่อยๆอย่างนี้หรือว่าเป็นการที่จะทาให้เกิดพลังจิตเพวการทำสมาธินี่สคัญอยู่ทีัจิต เเราทำเข้ามากเขามาเข้ามากกีจเกิดจะเพิ่ขึ้นเมื่อเราทำอย่างต่อเนื่องพลังจิตมันก็เพิ่มขึ้นเร็วขึ้นเมื่อเร็วขึ้นพลังจิตมากขึ้นอาแล้วว่ามมั่นคงของการเป็นเลยี่ตก็จะก้าวต่อไปอย่างไม่อยู่จังแต่ถ้ากว่าเรามานๆทำทีเลือกกระั่งแก่นังจิตมันก็เติบขึ้นนน้อย ที่จะมั่นคงเงิค่อยๆลอยหล่อระฉะนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นคงเราจะเป็นตดเนินรไม่อยากต่นี่เรก็ทไม่ถูกต้ออย่างตัขอรบการ้นแต่อนแล้สมาธิรู้สึกว่ามีคามสบายเช้าวันีผานารสึกว่าเฉยๆครั นย่างนี่ว่าวสบายนั่นคือานในสมาธิเนี่ยอย่างรากระพุ่งกระพุ่ระพุไปรเด็ไไม่รู้จะสาไรหรอกแต่ว่าอันนี้คือผลงาผลงานที่จะได้เกิดความสบายดีนะเพราฉะนั้นเรจะมารูกันว่าในวามนี้มันสบายแป่ไหนก็แปว่าเราต้องรทับผลงานดู มาไปแ่นั้นพอเวลาต่อไปมันก็จเสพควาดีขึ้นมาอีกกนดีเนี่ยความหมายความว่าเราไม่โง่านะคือคนความสบายครับราเลยว่าตอนอันนี้ดี่ริงๆแล้วการที่เราดู้ผื่อๆม่นเหมืนอนกัเราไม่ได้อะไรนี่คือการที่เราทำสมาธิในเวลาที่เราลำบาพลำบากะ